สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับเราอยู่ในบทเรียนสุภาษิตครั้งที่45เรื่องเล่เหลี่ยมของหญิงแพทย์สยาพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตตั้งแต่ข้อที่บทที่เจ็ดครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสองสุภาษิตบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสองนะครับโปรดฟังพจนาของพระเจ้าบุตรชายของเราเอาย๋ยจงรักษาถ้อยคําของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้า จงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้ามัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้าจงพูดกับปัญญาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันและจงเรียกความรอบรู้ว่าเพื่อนสนิทเพื่อปัญญานี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพเนาพนอ เพราะที่หน้าต่างบ้านของเราเราได้มองออกไปตามบานเกรดเราเห็นว่าท่ามกลางคนเขาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่เราพิเคาะอยู่นั้น<ม>ก็มีคนหนุ่มคนหนึ่งไร้สามัญสำนึกผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนางเดินตามถนนซึ่งไปบ้านนางในเวลาโพรเพลในเวลาเย็นเวลาค่ำคืนและความมืดและนี่ไง หญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพรสยาหัวใจเจ้าเลนางจัดจ้านและหัวเห็ดเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านประเดี๋ยวอยู่ถนนประเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองและนางหมอบคอยอยู่ทุกมุมพี่น้องครับคำสอนของโซโลมอนที่ไปถึงลูกหลานของท่านบุตรชายของท่าน เพื่อที่จะให้ลูกหลานนั้นได้ฟังได้สะสมถ้อยคำและได้ดำเนินชีวิตด้วยคำสอนนั้นพี่น้องครับถ้าเราดูกลับไปนะครับพี่น้องลองถอยกลับไปในบทที่สองข้อที่หนึ่งบทที่สามข้อที่หนึ่งเราจะเห็นว่าโซโลมอนนั้นเน้นเรื่องคำสั่งครับ <c oughs> คำสั่งหมายถึงสิ่งที่สั่งออกไปและต้องทำตามต้องฟัง คำสอนหมายถึงการสอนที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและเหมือนกับคุณแม่ใช้พระคุณใช้ความรักความเมตตาในการสอนแต่คําสั่งนั้นใช้ความเข้มงวดคนที่เป็นลูกนะครับจะต้องรู้ว่ามีทั้งคําสั่งและคําสอนคําสั่งนี้ถือว่าเด็ดขาดครับแต่คําสอน ถือว่าเราจะต้องให้เกิดความเข้าใจให้เกิดสติปัญญาและในที่สุดทั้งสองอย่างทั้งคำสั่งและคำสอนนั้นจะต้องสะสมไวระแวดระวังเหมือนกับมันเป็นทรัพสมบัติที่ล้ำค่าเลยทีเดียวพี่น้องครับใครก็ตามที่ยังรู้ว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวอยู่ยังไม่แก่นะครับเราจะต้องสะสมคำสั่งสอน และระแวดระวังเก็บไว้เหมือนกับทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าคำว่าแก้วตามีความหมายาตามตัวอักษรว่าเป็นศูนย์กลางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นหมายถึงเป็นส่วนที่ไวที่สุดของลูกตาและจะต้องรับรับการระแวดระวังธนุสนอมมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าเราดูในร่างกายของมนุษย์นะครับส่วนที่เปิดเผยออกสู่ภายนอกนั้นแก้วตานะครับเป็นส่วนที่อ่อนไหวที่สุดอ่อนแอที่สุดและไวต่อความรู้สึกที่สุดและจะต้องรับการรับแวดระวังภัยมากที่สุดในข้อสามนะครับคนที่เป็นลูกได้ถูกกำชับให้ผูกคาสอนของคุณพ่อไว้รอบคอของเขาและผูกไว้ที่นิ้วมือด้วย ในบทที่สามข้อสามลูกด้วยกัน ร, รับการกำชับให้ผูกที่รอบคอและบทที่เจ็ดนี้ให้ผูกไว้ที่นิ้วมือหมายถึงให้ทําและจารึกไว้ที่แผ่นดวงใจหมายความว่าเขาจะต้องจดจำระลึกได้ที่น้องครับการผูกไว้ที่นิ้วมือหมายถึงการนําไปสู่การกระทําและจารึกไว้ที่แผ่นดวงใจหมายถึงการจดจำบําลึก และให้ใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิตเราจะต้องใช้แนวทางนะครับใช้บทบัญญัติคาสั่งคาสอนเป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิตในข้อที่สี่ที่ห้ามีคาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันถามว่าใครครับเป็นพี่สาวของเราคําตอบก็คือปัญญาและความรอบรู้ ปัญญาและความรอบรู้มันเป็นพี่สาวหมายถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งและอาจหมายถึงภรรยาด้วยคำว่าเพื่อนสนิทหรือญาติสนิทมีความหมายว่าความใกล้ชิดความเข้าใจซึ่งกันและกันที่มีต่อกันเพียงครับเราจะต้องให้ปัญญาและความรอบรู้นั้นเป็นเหมือนกับพี่สาวน้องสาวภรรยาหรือหมายถึงเพื่อนสนิท ที่แสดงถึงความใกล้ชิดและคนหนุ่มห น, มนะครับจะสามารถหลุดออกจากล่อการล่อรวงหลุมพรางและกับดักของหญิงแทย์เสีได้จะต้องมีสี่อย่างนี้ครับอย่างแรกคือคำสอนอย่างที่สองคือคำสั่งอย่างที่สามคือปัญญาและอย่างที่สี่ก็คือความรอบรู้โดยเขาจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างสนิทส น, นมใกล้ชิด คุคคีกับสิ่งสาคัญทั้งสี่อย่างนี้คือคำสอนคำสั่งสติปัญญาและความรอบรู้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ค, คำพูดเย้ยยวนคำพูดลื่นไหลคำพูดที่เชิญชวนชักชวนทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับชายหนุ่มหนุของพวกเราปัญญานั้นจะพิทักษรักษา ให้ชายหนุ่มนั้นพ้นจากหญิงชั่วและคําพูดที่พนาพนอเอาออกเอาใจพี่น้องครับเราจะมาดูต่อนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชายหนุ่มมีอะไรบ้างชายหนุ่มเหล่านี้นั้น <c oughs> ก็คือหนึ่งเขามีความไร้เดียงสาเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมครับชายที่ตกเป็นเหยื่อจากประสบการณ์ของกษัตริย์ส ม, มอลนั้นชายหนุ่มคนนี้ หรือชายหนุ่มเหล่านี้ครับเป็นคนเขา่าเป็นคนเข่าก็คือคนที่ไม่รู้หรือยังรู้ไม่พอเป็นคนที่ไร้ประสบการณ์และง่ายต่อการถูกหลอกเพราะว่าเขายังไม่รู้จักโลกไม่รู้จักหญิงแพร์สยาอย่างเพียงพอเด็กๆ เ, เหล่านี้นะครับก็คือชายหนุ่มที่กําลังเติบโตขึ้นเป็นลูกหลานของเรานี่ยแหละครับนะเป็นลูกหลานของเราทั้งในคริสตจักรทั้งเป็นเยาวชนของชาติ เด็กๆอนุชนเหล่านี้อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพวกเขานั้นอยู่ในความเสี่ยงต่อการล่อลวงเราต้องสอนเขาให้เขาหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงให้เขาก้าวออกมาจากความเสี่ยงอย่าทำตัวให้อยู่ในความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มเขานั้นเป็นคนยังไม่รู้ยังไร้ประสบการณ์ยังอ่อนต่อโลกประการต่อไปครับ หญิงแพทย์ยาหญิงแพทย์ยาพวกนี้มีความหมายว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วครับพี่น้องครับไม่มีหญิงแพทย์ยาคนใดเป็นหญิงบริสุทธิ์นะครับทุกคนแต่งงานแล้วทั้งสิน้นพวกเขาโดยมีวัตถุประสงค์ครับออกมาล่าชีวิตชายหนุ่มและการแต่งตัวก็สำคัญด้วยพอการแต่งตัวนั้นบ่งบอกถึงอาชีพหรือบ่งบอกถึงความตั้งใจ ของผู้หญิงจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้พ่อแม่จะต้องระวังระวังการแต่งตัวของลูกสาวประการที่สามครับพระพีบอกว่าเขาอาจออกมาอย่างลับๆประการที่สี่คือมีหัวใจ ย, ย้อนซ่อนเงื่อนเต็มไปด้วยกลอเม็ดเด็ดคลายเล่เหลี่ยมแผวพราวประการที่ห้าครับใช้เสียงดังเชิญชวน ประการที่หกครับจัดจ้านไม่เชื่อฟังบัญญัติไม่รักษาคำปฏิ ญ, ญาณตอนที่เขาแต่งงานประการต่อไปครับประการที่เจ็ดชอบเที่ยวและประการสุดท้ายครับซุ่มคอยดักเด็กหนุ่มๆตามถนนหนทางหรือผู้ชายที่อยู่ในความเขาซิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ชายหนุ่มหรือคนเขา่าอาจจะไม่หนุ่มก็ได้ครับแต่ถือว่าเป็นคนเขา่าเป็นคนเข่าที่ตกอยู่ในการล่อลวงตกอยู่ในกับดักหลุมพรางพรุ่งนี้เราจะดูต่อนะครับว่าลักษณะของหญิงแพทย์ยาเรารู้แล้วความไร้ เ, ล, เลี่ยมของเหยื่อของชายหนุ่มเรารู้แล้วมันจะมวีวิธีหรือยุทธวิธีของหญิงแพทย์ยาอะไรบ้าง พรงนี้พบกันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ